มาวันนี้จะมากราบขอบพระคุณหลวงตาค่ะเพราะว่าได้ฟังเทศของหลวงตาใน YouTube แล้วมันมีความเข้าใจขึ้นมาแบบชัดเจนมากเลยค่ะไม่เคยรู้เรื่องว่า เรามีสามกายคือกายกายเนือ้อกายโปร่งแสงแล้วก็กายที่เป็นธรรมธาตุตัวนั้นไม่เคยรู้เลยพอมาเข้าใจอันนี้มันเหมือนเราเห็นแผนที่ที่ชัดเจนเพียงแต่ขาดการเดินทางว่าทีนี้เราจะทำยังไงเราจะเดินให้ไปถึงจุดนั้นได้แต่ก็ดีใจมากคุยกันว่าหลวงตาอยู่ไหนเนอ้ออยู่ไหนของประเทศไทยอยากจะกราบสักครั้งหนึ่งค่ะ แล้วพอได้ข่าวว่าตรงนี้นี่เพื่อนมาจากพัทยาแล้วก็หนูมาจากพนัสนิคมอันนั้นก็พนัสนิคมด้วยกันค่ะนี่อยู่ชนบุรีเป็นพี่สะั้ยค่ะข้างหลัง่ะข้างหลังผมอยู่ที่ราา่าออเวลาจะใกล้ห่อย น, นิี้ชนบุรีนี่ความรู้สึกว่ามีบุญที่ได้ฟังเทศหลวงตาค่ะ มีกำลังใจมีกำลังใจมากค่ะมีบุญมากที่ได้ฟังเทศหลวงตามันเหมือนกับเราเราเห็นทางเห็นทางเดินนี่ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าเรารู้แล้วค่ะว่าที่เราจะเดินทางเนี่ยเพื่ออะไรอยู่ตรงไหนเป้าหมายมันคืออะไรกราบขอบพระคุณหลวงตาจริงๆเลยค่ะแล้วมาวันนี้สงสัยอะไ มาวันนี้สงสัยว่าตัวเราเองเนี่ยเราควรจะปฏิบัติในในแนวไหนที่จะเดินทางที่จะต่อของของเราให้มันก้าวหน้าคือเราไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเบื่อกับสังขารตัวนี้ที่ทนแบกมาหลายภพหลายชาติเนี่ยทํายังไงชาตินี้เราถึงจะสละออกไปได้อย่างผู้ชนะอย่างผู้ที่เข้าใจแล้วก็อย่างหมดจดเจ้าค่ะ ปัฒนาความพ้นทุกข์ในปัจจุบันปัฒนาความพ้นทุกข์ในปัจจุบันสิ้นกิเลสและความทุกข์ในปัจจุบันต้องสลัดให้หมดเลยต้องตัดใจในใจอ่ะต้องไม่ไมเอือใหญ่ไม่อะไรอววรใดๆเหลือแต่หน้าที่ในทางโลกที่สมบุรณ์บริบูรณ์ทุกคนก็มีหน้าที่อะไรก็ต้องทำหน้าที่โดยสมบูรณ์บริบูรณ์ไปแต่ใจไม่ยึดถือคาว่าหน้าที่คือใครมีหน้าที่ สามีภรรยาก็ทะะําหน้าท <érer> ี่สามีภรรยาหน้าที่พ่อแม่ต่อลูกก็ต้องทําหน้าที่พ่อแม่ต่อลูกเป็นหน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่ดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ต้องทําหน้าที่ตอบแทนคุณบิดามารดามีหน้าที่เจ้านายต่อลูกน้องลูกน้องต่อเจ้านายมีหน้าที่ที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นกันในรียนนบิดเนี่ยหน้าที่ มีพุทธเจ้าได้ตัดสอนไว้แล้วในพระไตรปิฎกมีอันนี้หน้การนำหน้านที่ดีถูกต้องและสมบูรณ์เนี่ยเป็นธรรมเป็นธรรมที่พุทธเจ้าสอนเองสอนในพระไตรปิฎกแต่การยึดพุทธเจ้าห้ามเพราะมันเป็นทุกข์ให้มีแต่หน้าที่ดีสมบูรณ์ต่อกันดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันปรารถนาให้ตัวเราเองพ้นทุกข์ปรารถนาให้ให้คนที่รรักและเพื่อนรวมโลกทั้งหมดพ้นทุกข์แล้วกับผู้ที่เริ่มเบียนวายใจเกิดรวมโลกก็คือ เวียนไหวใจเกิดทั้งหมดให้พ้นทุกข์ให้พ้นทุกข์มีแต่ความปรารถนาดีความเมตตาความปรารถนาดีแล้วก็มีหน้าที่ต่อที่ดีต่อกันแต่ใจไม่ยึดนะของใจของโยมถ้าปรารถนาความพ้ทุกข์ในปัจจุบันต้องต้องปล่อยวางปล่อยวางพิจารํารวจตรวจสอบดูในใจิตใจของเราอย่างคิดอะไรเรายังไม่พร้อมที่จะดับสนิท ด, ดับตัวตนของเราสนิทไม่มีส่วนเหลือตัวตนอีกเลยไม่มีตัวตนของเราออกจากร่างเราอีกมีแต่ความรู้ที่ว่างเปล่า หายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเรามาจากจักรวาลเดิมมาจากจิตเดิมแท้มาจากจิตเดิมแท้ที่เป็นจักรวาลเดิมแล้วเราก็เกาะตัวขึ้นมาเป็นเป็นพลังงานคือมีเวทนาสัญญาสังขาววิญญาณความรู้สึกในึกคิดอารมณ์แล้วเกาะตัวขึ้นมามาเป็นมาเป็นสสารคือร่างกายเวลาตายแล้วร่างกายก็แตกดับพลังงานก็ดับแล้วก็กลับคืนสู่ความว่าง อวกาศแห่งจิตเดิมแท้หรือมหาสุญิตาหรือจักรวาลเดิมเราลืมไปว่าเรามาจากไหนเรามาจากความว่างมาจากอวกาศแห่งจักรวาลเดิมแล้วก็มีเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาแล้วก็มีร่างกายขึ้นมาแล้วเวลาตายก็ร่างกายก็แตกดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับแล้วกลับคืนสู่ความรู้ที่ว่างเป่าเป็นวิญญาณอาธร วิญญาณแปลว่ารู้ไม่ใช่วิญญาณแปลว่าผีวิญญาณแปลว่ารู้ธาตุร er. ู้กุศุธาตุแปลว่ากุสลบัตไม่ใจะว่าเป็นก้อนธาตุธาตุคือกุสลบัตเป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับความว่างของธรรมชาติจักรวาลแต่ความว่างธรรมชาติจักรวาลไม่มีความรู้มีแต่ความว่างกุสลบัตของวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้เนี่ยเป็นกุสลบัตที่เป็นความว่างเช่นเดียวกับความว่างธรรมชาติจักรวาล แต่มีความรู้เวลากลับคืนสู่บ้านเดิมเร า, ากลับคืนสู่อวกาศแห่งจิตเดิมแทหรือความว่างในจักรวาลไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างในธรรมชาติไม่ได้แบบไปเป็นดวงเป็นก้อนไปเป็นรู้อยู่บล็อกอยู่ตรงไหนในในความว่างสักที่หนึ่งไม่ใช่มันคืนหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเหมือนกับว่าน้ำในทะเลเนี่ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราเราอยู่นั่ง ในทะเลตอนนี้เรานั่งตะลาในในกลางในทะเลเวลาแต่ละคนเข้าไปถึงสภาพของธรรมชาติเดิมดั้งเดิม แ, แท้ของเราทุกคนอคือจิตดั้งเดิม แ, แท้หรือใจดั้งเดิมแท้หรือวิญญาณดั้งเดิม แ, แท้ของเราทุกคนหรือหรือธาตุรู้เนี่ยที่เป็นธรรมชาติ แ, ตแท้ๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราแต่ละคนเนี่ยอพอปฏิบัติไปถึงใจที่สิ้นยึดแล้วเพราะเรามาจากธรรมชาติดั้งเดิมที่มันไม่ได้ยึดอะไรไม่ต่ความว่าง แล้วก่อเติมมาเป็นรูปร่างมีความรู้สึกในคิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ยึดเอาไอ้ไอ้ตัวรูปร่างใหม่ของเราในแต่ละชาติเนี่ยเป็นตัวเราแล้วเราก็มีมีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูกเราก็ยึดเอาผัวเมียและลูกเนี่ยอันนี้พวกนี้มีมาที่หลังทั้งหมดเลยตั้งแต่ตัวเราก็มาที่หลังแต่ดั้งเดิมแต่แตกของเรามีแต่ความรู้ที่วางเปล่าแล้วก่อตัวมาเป็นความรู้สึกในกิดอารมณ์เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาแล้วก็ก่อตัวขึ้นมาเป็นร่างกายขึ้นมาเรียกว่าเป็นนามลูก เป็นน้ําเป็นรูปขึ้นมาแล้วน้ํารูปก็แตกลบกลับไปสู่ความว่างเปล่า air. เป็นความรู้ที่ว่างเปล่าหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติก็เหมือนกับของท่านแต่ละคนพอกลับคืนสู่วความรู้ที่ว่างเปล่าก็เทความรู้ที่ว่างเปล่าไว้ในธรรมชาติในจั ก, กรวาลมันก็หายไปกลืนไปเนื้อเดียวกับความว่างไปเหมือนกับต้เปรียบเป็นน้ําก็เหมือนกับเท น, น, น้ําของพวกเราแต่แต่ละคนลงไปในในใน้น<ๆ>ําทะเลพอเทลงไปเท น, น้ําลงไปในน้าทะเล น้ำของเราแต่ละคนคือเปียบเหมือนถ่านรูที่มันเทไ ป, ปนในความว่างก็เปรียกเปือนน้ำถ่านรูเนี่ยเป็นน้ำเปรียบเหมือนเป็นน้ำแล้วเราแต่ละคนเทน้นาทําลงไปในในทะเลพอเทลงไปในทะเลแล้วน้ำเนี่ยไปกองตรงไหนไหอน้ําเรานี่ไปกองตรงไหนไห ม, ม, ไ, ไ, หมไม่กองมันก็หายไปไปนไปปนไปกับน้ําทะเลนั่นแหละถ่านรูเนี่ยหรือหรือจิตดั้งเดิมแท้หรือวิญญาณดั้งเดิมแท้หรือวิญญาณธาตุที่เป็นธรรมชาติแท้ๆของเราทุกคน มันเป็นความว่างแต่มีความรู้แต่เป็นความวุ้ความรู้ที่เป็นความว่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเวลามันสิ้นความยึดแล้วทั้งหมดเนี่ยกลับไปเป็นธรรมชาติเดิมของเราที่ไม่ไม่ได้หลงยึดเอาร่างกายของเราที่เกิดมาใหม่เรารู้แล้วว่าเราเรามาจากจักรวาลเดิมมหาสุญญตาเรากลับเพื่อจะกลับบ้านเดิมเหมือนกับคล้ายๆเปรียบเหมือนกับเราเป็นอะไรนะมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวแล้วเรามาเที่ยวในโลกนี้พอเรามาเที่ยวในโลกนี้ แล้วเราก็อยู่ในโลกนี้นานมีผัวมีเมีย ม, ม, มีลูกมีหลานเราลืมไปเลยเรากลับบ้านไม่ถูกอกลับไปบ้านเดิมของเราไม่ถูกคืออวกาศเอ่อแอนจิตเดิมแท้เรากลับไม่ถูกความว่างกลับไปเป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเรากลับไม่ได้กลับบ้านเราลืมไปแล้วเพราะมันมีลูกมีหลานมีมาอยู่ซะนานเลยลืมกลับไม่ถูกแล้วก็อตอนนี้เราก็เข้าใจอย่างนี้แต่เราพบเราก็เออเราก็สิ้นยึดสังขารทั้งรูปทั้งนามเนี่ย ยึดยึดทั้งลูกทั้งน้ำว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราพร้อมจะสละแล้วเราก็กลับคืนสู่บ้านเดิมคือจักรวาลเดิมเราเบื่อที่จะเวียนวนแล้วไปในโลกต่างๆไม่ไปไหนแล้ ว, ลวเราเบื่อแล้วเรากลับบ้านเดิมดีกว่าไปท่องเที่ยวในโลกนี้บ้างโลกสวรรค์บ้างโลกนรกบ้างแล้วก็มาโลกนี้บ้างโลกสวรรค์บ้างโลกนรกบ้างก็สลับไปสลับมาไปเป็นสัารไดรชันในโลกนี้เกืมาหมดแล้วไปเป็นเปรตเป็นนัสุรกายเป็นสันนรก แล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์รูปร่างเปลี่ยนไปกระดูกของเราคนเดียวกองในโลกเนี้ยที่เราเกิดตายเกิดตายในโลกเนี้พระเจ้าตรัสว่ากองกองเท่ากับภูเขาลูกใหญ่ๆกองเท่ากับภูเขาลูกใหญ่ๆเราเกิดตายเกิดตายแต่เราก็มาหลงเอในร่างใหม่เราแต่ละชาติที่เราเกิดแล้วก็หลงครอบครัวหลงผัวหลงเมียหลงลูกหลงครอบครัวเราก็หลงมาอย่างงั้นเรื่อยไปแล้วเราก็กลับบ้านเราลืมกลับบ้านเดิมนานแล้ว เรากลับไม่ถูกแล้วแต่กลับกลับไม่ถูกว่าเราแตแท้เนี่ยคือคือจิตตั้งเดิมแท้หรือวิญญาณตั้งเดิมแท้ที่มันไม่มีอะไรเลยเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเวลาพอถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็เอสิ้นยึดร่างกาจิตใจยึดรูปยึดนามเนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวนตนของเราเราแตแท้ ค, คือคือมีแต่ความรู้รู้อะไรก็รู้ว่ารู้ในไอกัรห้ า, ารู้ตัวเราเนี่ยที่มันมีความคิดการพูดการกระทาไม่ว่ามันจะ เรานั่งอยู่เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าตัวเรานั่งอยู่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นดั้งเดิมแท้จิตดั้งเดิมเ็แท้ของเราเราก็เลยรู้ว่าเรานั่งอยู่เรานั่งอยู่เรายืนอยู่เรานอนอยู่เราทําอะไรเราเดี๋ยวเราก็รู้เวลาเราพูดเราก็รู้ตอนนี้เราหยุดพูดเราก็เป็นฝ่ายฟังเราก็รู้พอเราเป็นฝ่ายหยิบไม้พูดเราก็รู้แล้วก็เวลาเราคิดอะไรเราก็รู้เวลาเราสบายใจไม่สบายใจสบายกายไม่สบายกายเราก็รู้เราแท้แจ้เป็นรู้รู้คือรู้ตัวเราตลอด แต่เราเนี่ยพอใช้ชีวิตนานมากเลยเราลืมไปเลยเราแต่ละชาติเราไว้ไอตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวเราเ อ, อการถามทุกคนนะมันง่ายๆเพราะมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนธรรมะไม่ได้ยุ่งยากถามว่านั่งอยู่เนี่ยรู้ไหมทุกคนตอบหมดเลยว่ารู้แล้วใครเป็นคนรูเ้เราเป็นคนรู้เห็นไหมใช่ไหมเราถามอะไรก็เราเป็นคนรู้หรือตัวเราเป็นคนรูเ้เวลาเราเป็นคนพูดหรือเราเป็นคนหยุดพูดใครรู้ก็เราเป็นคนรู้อีก เวลาเราสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจใครรู้แลเรารู้อีกเห็นไหมนั่นถามทีอะไรก็ตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้รู้เวลาเราแอบคิดแอบนึกคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุตศลอกุศลใครเป็นคนรู้ก็เราเป็นคนรู้อีกเห็นไหมนี่ถามทีไรเราเป็นคนรู้เราเป็นผู้รู้ตัวเราหมดเลยเราคิดเราพูดเราก็ทําอะไรเราสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจเรารู้เป็นเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้รู้ตัวเราหมดเลยแต่เวลาใช้ชีวิตประจําวัน่ะ เราเกิดทุกชาติเราเอาไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเราเพรนั้นไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันคิดได้ที่มันสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจที่มันเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเข่าหัวน้ำของสวมตื่นกินทํานู่นทํานี่ได้พูดได้อะไรต่างๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวตายมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวแตกตัวดับไปทุกชาติแต่ไอ้ตัวที่บรรู้ตัวเราเนี่ยมันไม่มันไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่เคยแตกไม่เคยดับแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจสักทีเรากลับบ้านเดิมเราไม่ถูกคือ จิตเดิมแท้หรือจักรวาลเดิมเรากลับไม่ถูกเรากลับไปคืนธาตุรู้ที่ว่างเปล่าไม่ได้เรากลับไม่ถูกกลับบ้านเดิมไม่ถูกเราก็ยึดเอาไว้ตัวเราเนี่ยในแต่ละชาติเป็นตัวเราแล้วก็ยึดเอาครอบครัวยึดเอาหัวเอาเมียสร้างลูกสร้างหลานมาหลายภพชาติไปเป็นสัตว์เดชฌานก็ยึดเอาตัวเราที่เป็นสัตว์เดชฌานเพศต่างๆแล้วไปไปยึดไปประสมพันธุ์กับตัวผู้ตัวเมียออกลูกออกร้านแล้วก็ตายไปอย่างนั้นแล้วก็วนไปเรื่อยฮะไปยึดเอาไอ้ตัวใหม่เป็นตัวเรา แล้วก็ไปไยึดผัวยึดเมียแล้วก็ออกลูกออกหลานแล้วก็ตายไปอย่างเงี้ยทุกชาติไม่มีใครมาสอนเราทุกชาติหนึ่งหรือสอนแล้วเราไม่รู้จนกระทั่งมามีคนสอนว่าไม่ใช่เราแท้ๆมันคือผู้ที่รู้ตัวเราเนี่ยแหละมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนอ่ะไม่มีใครไม่ไม่มีเรามันมีทุกคนเนี่ยใครจะไม่รู้ว่าเราเรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนเราดื่มกินเราทํานู่นทําเนี่ยมันก็ต้องมีมันก็ต้องรู้ใครละมารู้ตัวเราก็นเราถึงเป็นคนบรรลุตัวเราเนี่ย อ๋อสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใ จ, ยยย ใ, จใครรู้อ่ะเราเป็นคนรู้ตัวเราถามที่ Sing ไรอ่ะเราเป็นคนรู้ตัวเราเราเป็นคนรู้ตัวเราเอา๋อแล้วใครคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลนกุศลในที่รับที่แจง้งใครเป็นคนรู้เรารู้อีกโอ้ยเราพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรใครรู้เราก็รู้อีกพูดดีพูด ช, ชั่วพูดบุญพูดบาปพูดกุศลนกุศลใครรู拜拜้ว่าเรารู้อีกเออคนไายถามที่ไรเราเป็นคนรู้เราเป็นคนที่รู้ตัวเราเราเป็นคนรู้เห็นไหมพวกท่านทุกคน่ะ มันก็รู้อยู่แล้วว่าเราแท้ๆจริงคือคนที่รู้ตัวเราท่านเลยตอบว่าเราอ่ะเป็นคนรู้ตัวเราเราอ่ะเป็นคนรู้ตัวเราแต่เอาข้อจริงอ่ะท่านยึดตัวไหนท่านยึดไอ้ตัวเราที่คิดที่พูดที่กระทาได้ที่มันสบายใจไม่สบายใจเป็นตัวเราใช่ไหมเออท่านนี่แหละเขาเรียกเอาวิชายึดผิดตัวยึดเอาวิชาคือยึดผิดตัวแล้วเลยกลับบ้านเดิมไม่ถูกคือจิตเดิมแท้หรือจักรวาลเดิมเลยกลับบ้านเดิมไม่ถูก <c oughs> อ่าเข้าใจไหมอ่าจะถามอะไรอ่ะกราบนมัมศการหลวงตาค่ะคือหนูก็ได้ความรู้จากอาจารย์ที่เกี่ยวกับการเกิดการเกิดแล้วว่าพยายามที่จะปฏิบัติให้ ใ, ให้รู้ว่าตัวเองไม่มีตัวตนอะไรแบบเนี้ยค่ะให้ให้เราทราบว่าการที่เราเกิดมาแล้วเราไม่มีต้นตอนคิดว่าเรามีตัวตนแล้วก็ยึดอยู่ พอพ อ, พอฟังใน y o u ูทูบของของหลวงตาก็เลยทราบว่าเราเราไม่มีตัวตนแล้วเลยเข้าใจว่าเราเกิดเรามาว่างเปล่าอะไรไะอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามปฏิบัติก็เลยอยากจะให้ให้หลวงตาแนะนําว่าเราจะปฏิบัติยังไงให้พยายามรู้ว่าเรามันไม่มีตัวตนพยายามปฏิบัติอยู่ตลอดแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่ายังมีตัวตนอยู่ะค่ะเออสังเกต ด, ดูสิเราก็สังเกต ด, ดูธรรมชาติแท้ๆเนี่ยสังเกต ด, ดูที่ตาพูดเมื่อกี้เนี่ยธรรมชาติแท้ๆเนี่ย มันเป็นธรรมชาติที่มารู้ตัวเราใช่ไหมรู้ตัวเราคิดตัวเราพูดตัวเราก็ทํำนู่นกระทํำนี่มันเป็นธรรมชาติที่มารู้ตัวเราแต่เราสังเกตดูให้ดีๆพูดี่มารู้ตัวเราอ่ะมันไม่ได้คิดแต่ไอ้ไอ้ไอ้ตัวเราที่คิดที่คิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลนกุศลน่ยเป็นตัวแตกดับทาลายเป็นตัวตายแต่ไอ้ธรรมชาติที่มันรู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ได้คิดเพราะไอ้ตัวคิดมันคือไอ้ตัวเราที่ถูกรู้ มันอยู่ในตัวเราเนี่เนี่ยมันซ้อนกันที่ที่โยบอกว่าเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยเพิ่งจะรู้ว่าในร่างกายเรามันมีอยู่สามเออคือกายเนื้อไอ้กายเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องแก่เราก็รู้นะมันแก่มันไม่เที่ยงมันแก่มันเจ็บมันตายหน้า่วยผูพังแล้วกายจิตคือกายจิตหรือหรือไอ้กายจิตก็คือกายที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆได้มีกิยาการมีการเคลื่อนไหวมีการกระเพื่มกระเพื่มได้ นี่คือกายจิตและอีกการหนึ่งก็คือผู้ที่มารู้กายเนื้อกับกายจิตนี่คือรู้ว่าอนั่งยืนเดินนอนรู้ว่าพูดหรือไม่พูดพูดดีพูดชั่วพูดบุญพูดบาปพูดกุศลนักกุศลรู้ว่าสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจรู้เวทนาแล้วก็รู้จิตที่คิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลนักกุศลรู้หมดเลยแต่อารู้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นคนคิด ไอ้คนที่คิดคือไอ้ตัวกายเนื้อกายเนื้อกับไอายจิตเรียกว่าขันห้าไอ้กายเนื้อก็คือรูปไอ้กายจิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกสี่ขันเรียกว่ากายจิตเอนึกตาเรียกง่ายๆประชาชนเรียกว่ากายจิตเอแล้วก็รู้รู้ก็คือมารู้ขันห้ารู้ขันห้าคือรู้ไอ้กายเนื้อกับกายจิตนี่แหละแต่รู้เนี่ยมันมันทําหน้าที่รู้ไอ้กายจิต มันก็ทําหน้าที่เป็นเป็นฝ่ายนามอาคารเป็นฝ่ายทํามนีมอาคารคือทําหน้าที่เวทนาทําหน้าที่สัญญาทําหน้าที่สังขารทําหน้ทาที่วิญญาณสี่ขันแล้วก็กายเนื้อก็ ท, ทํ า, านหน้าที่ร่างกายมันคุณาหน้าที่กันอยู่ในร่างกายเราแต่ทํางานคุณาที่ไอ้รู้เนี่ยมันทํางานหน้าที่รู้อย่างเดียวแต่มันมันคิดไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีตัวตนมันมีอยู่สามอย่างในร่างกายเราแต่เราเนี่ยใช้มันแค่สองอย่าง เราเราใช้มันแค่สองอย่างอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเรามันมีอยู่แต่เราอะ่ะไม่เห็นเราไม่ได้ออกมาใช้ไอ้รู้เนี่ยไอ้รู้ที่มารู้ไอ้ไอกายเนื้อกับกายจิตเนี่ยรู้เนี่ยไอ้รู้เนี่ยมันทําหน้าที่รู้อย่างเดียวมันมันมันทําหน้าที่อื่นไม่ได้เลยแต่รู้เาตต้้ออองนมลลว น้องพิจารณาต้องต้องน้อมพิจารณาตลอดเวลาเลยคะเพื่อจะได้รู้ถึงตัวตัวนี้แยกตัวให้ได้ค่ะไอ้สามก็เนี่ยไงไงใช่ต้องต้องน้อมอยู่ตลอดเวลาใช่มใช่ใช่ใช่จะได้รู้ว่าในร่างกายเรามีสามกายถึงจะเห็นใช่ไหมคะหรือจะรู้แยกได้คนคนคนมีปัญญาที่มีปัญญาจริงๆหลวงตาพูดนี่ก็เข้าใจเลยเข้าใจค่ะแต่ว่ายังยังไม่เข้าไปถึงใจเข้าใจที่ท่านที่หลวงตาพูดทุกอย่างแต่ว่าก็ไงก็เราก็อะไรก็ตาที่มันมัน้าในใจเราเนี่ย มันคิดมันเคลื่อนไหวได้กระเพื่อมได้ไหวไหวไหวไวไหแล้วก็ได้แต่มีอาการไหวไหวเห็นมันแต่ไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวไหวก็จะเห็นมันเห็นมันไหวไหวอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยก็ได้แต่เห็นมันหรือรู้มันไหวไหวไหวไหวอยู่งั้นน่ยก็รู้มันไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่รู้เพราะว่าเรารู้ได้ไงว่ามันมีอาการคิดมีอาการไหวไหวไอ้การจิตอะมันมีอาการไอ้การจิตมันมีอาการมีความรู้สึกมีอารมณ์มีความมีความคิดไหวไหวไหวไหวอยู่ไผ ไหวๆเคลื่อนไหวอยู่ภายในก็รู้มันอยู่ที่รู้มันอยู่เฉยๆแคนั้นแหะว่ามันมีการไหวรู้นี่ไม่ได้ไปทําอะไรนะก็ได้แต่รู้แล้วก็มันก็เหมือนกับได้แต่รู้ไอไอๆรู้ไอ้วไอคิดมันก็ได้แต่คิดมีอาการไอรู้มันก็ได้แต่รู้มันคนละหน้าที่กันแล้วก็ไอคิดมันก็คิดไปไอรู้มันก็ได้แต่รู้เราก็เลยรู้ว่าเออเว้มันได้แต่คิดไว้ไอที่มารู้ว่าตัวเราคิดเนี่ยมันไม่ได้ไม่มีตัวมาปรากฏหรอก แต่อัที่ตัวปรากฏมันมีแต่ไอตัวกายเนื้อกับไอกายจิตแต่อัไอรู้เนี่ยมันไม่มีตัวมาปรากฏเลยมันได้แต่รู้คือมันรู้อะไรอะก็รู้ว่ามีแต่คิดแต่อัตัวผู้รู้ไม่มีคือเราจะเห็นด้วยปัญญาใช่ไหมคะเห็นด้วยใจเห็นด้วยใจเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจว่าว่าเนี่ยในอาการในในใจของเราเนี่ยมันในการไหวๆไวๆแต่มันไม่ปรากฏตัวรู้ไงเนี่ยเราก็รู้อยู่เนี่ยแหละเนี่ยเอาง่ายๆดีกว่าย อ, วอย่าไปทำให้มันยาก ย, ากยากอก่าไปคิดซับซ้อน เนี่ยท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านนั่งถือไม้ท่านรู้ไหมว่าท่านนั่งถือไม้ท่านดูที่รู้มันอยู่ตรงไหนอะฮะเออพูดใหม่พูดใหม่เล้วก็หาไม่เจอค่ะมันอยู่ที่รู้ค่ะเออมันอยู่ที่รู้เนี่ยแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ที่รู้ก่นแล้วอีกคนบอกหาไม่เจอมันอยู่ที่รู้แล้วรู้มันอยู่ตรงไหนไม่มีตัวตนจับไม่ได้เออจับไม่ได้อาไม่เจอไหมไม่เจอไม่เจอกเพราะว่ามันไม่มีตัวตนไง มัจับมันก็ไม่ได้มันมันมันเคลื่อนไหวไหมดูสิไม่เคลื่อนไหวอันนี้ก็นี่งานแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าแล้วเราจะเจอมันยังไงก็เนี่ยถามปุ๊บก็เห็นแล้วอ่ะก็รู้ได้ใจอ่ะยังไม่ท่านจะทําอะไรเลยก็รู้แล้วเนี่ยว่าะก็รู้ได้ใจแล้วเนี่ไงไม่ต้องก็รู้ได้ใจของท่านนะก็ตอบเองเลยดูเนี่ยเอก็ตอบเองว่าเออมันมันรู้อยู่แต่รู้มันไม่มีตัวตนแล้วมันก็ไม่ได้เคลื่อนไหว แสดงว่าตัวสติก็ต้องเอามาช่วยหมายความว่าเวลาที่เรามีสติเราจะรู้ตัวนี้ชัดแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็จะเพลินไปหลงคิดไปถูกต้องถูกต้องที <c oughs> ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ห <c oughs> ลวพุทธาจะรู้ธรมโอษันว่าสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่มีสติเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราบุญตะเพลิน <c oughs> ดูหนัง <c oughs> ดูละคร <c oughs> เล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือ <c oughs> ถือเล่นเกม เราโมวแต่เพลินคุยเพลินอะไรสนุกสนานไปเราไม่รู้เลยนี่นั่นแนหะถ้าเรามีสติอยู่มันก็รู้แหละเราไม่เพลินไปกัอบอะไรก็ต้องรู้แล้วว่าเออไอมันเรานั่งอยู่เราก็ต้องรู้ว่าเรานั่งขั้นถามว่าอ๋อแล้วไอที่รู้ว่าท่านนั่งอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนตั ว, ต, วตัวมันเป็นยังไงแต่บอกหน้าตามสิแต่ก็บอกไม่รู้หรอกแล้วสังสเกตดีเตัวที่ท่านรู้ว่านั่งเนี่ยมันคิดได้ไหม มันมันมันต้องใช้ความคิดอะไรไหมหรือมันรู้ขึ้นมาเลยเออทําพูดใหม่ทันพูทใหม่มันรู้เลยมันรู้ได้เลยเออมันรู้ได้เลยไงมันเลยไม่ต้องใช้คิดไงเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่ต้องคิดมันรู้ขึ้นได้เลยอะเวลาเราสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจกายเบาใจเบากายหนักใจหนักเนี่ยท่านดูที่ว่ามันรู้ขึ้นรู้มาเลยหรือว่าท่านต้องไปนั่งคิดตั้ก่อนว่ามันก็รู้ได้เลยเหมือนกันค่ะมันก็รู้ขึ้นมาได้เลยเห็นไหมล่ะ เช่ไหมเพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวเรานี่แน่คือมันเป็นธรรมชาติที่มันรู้ขึ้นมาได้เลยมันรู้มันรู้ขึ้นมาเองมันเป็นธรรมชาติที่มันรู้ของมันมาเองโดยไม่ต้องใช้ระบบการคิดถ้าระบบการคิดมันอยู่ที่กายจิตกับกายเนื้อเพราะว่ามันต้องใช้ระบบสมองของไอ้กายเนื้อแล้วก็กายจิตมันทางานสัมพันธ์กันมันถึงมีระบบการคิดความจําได้ถ้าสมองมันจําไม่ได้มันจะไปคิดอะไรได้มันไปคิดเรื่องที่มันจําไม่ได้สิเดอ๋ยนี้ มันก็ต้องมีระบบสมองกับระบบกายจิตกับกายเนื้อมาทํางานร่วมกันมาถึงคิดได้คือขันห้านั่นแหละมันก็ต้องทํางานร่วมกันมาถึงคิดได้แต่อีกกายเนื้อคือรู้เนี่ยมันไม่มีกายหลักไอ้รู้เนี่ยมีอันในในร่างกายเลยมันไม่ต้องใช้ระบบของของกายเนื้อกับกายจิตไม่ต้องใช้ระบบการเรียนไม่ต้องใช้ระบบความจําไม่ต้องระบบการการระบบการคิดการเข้าใจเพราะมันเป็นมันเป็นความมันเป็นรู้มันเป็นรู้เป็นธรรมชาติรู้อีกออย่างหนึ่งที่อยู่ในตัวเรา มันโดยไม่ต้องผ่านกายเนื้อกับกายจิตมันรู้ออกมาจากใจหน้าที่ของมันมีอย่างเดียวคือรู้เฉยๆ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นอะไรจะดีจะชั่วจะดีใจเสียใจรู้ไอ้ตัวรู้ตัวนั้นตัวเดียวคือเราคือคือไม่ใช่คือเราคือสิ่งที่เราพูดถึงว่าเป็นกายธรรมธรรมาธาตุหรืออะไร <c oughs> แค่นั้นเอง <c oughs> ใช่ใชเป็นพุท ธ, ธะหรือว่าหรือเป็นธรรมาธาตุแค่ตัวนั้นตัวเดียว <c oughs> ตัว ร, <c oughs> วรู้ตัวรู้จะ <c oughs> ่ใช่นะั เป็นเราแท้ๆเลยดั้งเดิมเลยไม่ <À S 1> <streaming. S 2> ใช่ว่าเราคือไ อ, อ, อ, อตัวคิดได้นะไม่ใช่ก า, ายตัวคิดได้มันเป็นกายเนือ้อกายจิตถ้ามันมีไอคิดได้มีอารมณ์ได้เสียใจได้ดีใจได้ ค, ดคิดดีคิดชัว่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศล น, น, น, นักกุศลอันนี้มันกายเนื้อกับกายจิตมันทำงานร่วมกันแต่ไอรู้เนี่ยเราเรียกว่าพุทธะหรือธรรมธาตุเนี่ยอนั้นน่ะมันมันคิดไม่ได้มันมันรู้ขึ้นมาเลยรู้โดยธรรมชาติรู้มาจากใจมันรู้ได้อย่างเดียวมันรู้อย่างเดียวใช่ใ ทีนี้ฝึกก็รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวแต่ไหนที่มันเป็นคิดกับให้มันเป็นกายการจิตกายเนื้อที่มันทํางานร่วมกันไปจ้แล้วไอ้เราก็รู้อยู่ในใจว่าไอ้ตัวที่คิดได้พูดได้เคลื่อนไหวไปมาได้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายตัวแตกดับไปทุกชาติหลวงตาค่ะแล้วเราต้องปฏิบัติแบบดูรู้ไปฝึกรู้ไปกับการเดินกายพิจารณากายมันต้องไปด้วยกันไหมคะหรือว่าต้องแยกคะ อืถ้าเราเข้าใจแล้วว่ากายเนื้อกายจิตมันต้องแตกดับทําลายก็เป็นรู้ไปที่ไม่เคลื่อนไหวก็มันก็จบเลยอเแต่ถ้าเราจะพูดเท่าไหร่ก็ยังไม่เข้าใจก็ต้องมาแยกให้เห็นว่าไอ้กายเนื้อมันไม่เที่ยงทั้งหมดพูดว่ากายเนื้อไม่เที่ยงเราไม่เห็นว่ากายเนื้อไม่เที่ยงก็ต้องมาพิจารณาเข้าพิจารณาว่ากายเนื้อมันไม่เที่ยงควรเดินพิจารณาเออก็เดินไปเดินมานั่งไปนั่งก็พิจารณาว่ากายเนื้อไม่เที่ยงกายเนื้อไม่เที่ยงกพิจารณาให้มันแก่มันเจ็บมันตายมันเน่ังสลายยหหาาไปตัวตนไม่เจอ พอเสร็จแล้วแบบสิ้นยึดกันถึงจะถือกายเนื้อเสร็จก็มามาพิจารากายจิตเวทนาสัญญาสังขามิญิร์ว่าไอ้กายจิตเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ดับไปมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์ขึ้นแล้วว่าดับไปมันของไม่เที่ยงตัวตนมันไม่มี ค, คู่กันแบบนี้ใช่ไหมคะดูดูเราก็พิจารณาไปเดแตวก <ไป S 2> ็ตั้งเราไม่ยึดถือไอ้กายเนื้อไงกายจิตมันก็ไปเป็นรู้หรือถ้าเราเข้าใจแล้วในใจของเราว่าเออว่ารู้มันก็ไม่อยู่แล้วเราก็เออเป็นรู้ไปเลยแล้วอันไไหหนนนนนกกกกก็็็ทีี่่มมมมัััเเเเเเเปาาาาาาายยื้้้อออจิตตตตรรรรลดดด๋วงงแบ ไม่ไปยึดถือไอ้กายที่แตกดับกายเนื้อก็ต้องแตกดับกายจิตก็ต้องแตกเราไม่ไปยึดถือกายเนื้อกายจิตก็เป็นรู้ไปเลยก็คนทุกข์ไปเหมือนกันอยู่ที่ปัญญาเราจะเข้าใจตรงไหนออะเราต้องรู้ดในใจเรานะจริงๆนะไม่ใช่จําเอานะถ้ามันเป็นนะถ้ามันเป็นความจํามันเป็นมันเป็นกายจิตกับกายเนื้อทํางานร่วมกันแต่ถ้าเ ป, เป็นรู้แล้วท่านก็ไม่ต้องไปใช้ระบบการคิดสัญญาไม่ต้องไปใช้การการพิจารณาอะไรเป็นรู้เลย เราเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นความจําหรือว่ามันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นที่เรารู้ว่ากายนี้มันมันไม่มันมันเป็นแค่ดินน้ํำลมใสจริงๆเออถ้าเป็นรู้แล้วมันก็รู้แล้วมันเป็นรู้ปุ๊บเะก็บอกเลยว่ามันเป็นรู้ที่ไม่มีตัวตนมันคิดมันมีแสดงอาการไม่ได้มันไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นรู้ปุ๊บมันก็ว่างเปล่าจากน้ําหนักว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากมีสิ่งใดกดทับไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆแต่มารูไอ้กายเนื้อกับกายจิตเคลื่อนไหว ก็เป็นรู้เรื่อยไปพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่กับรู้เนี่ยอยู่ไอ้ไอ้ไอ้รู้ที่รู้เนี่ยอยู่ไอ้ที่เป็นรู้ในร่างกายเราเนี่ยเป็นเป็นรู้มารู้กายเนื้อกายจิตเป็นรู้เพอเป็นรู้แต่เราเป็นรู้ก็เป็นเดียวกับอรหันต์เนี่ยแสดงว่าเราปล่อยวางทั้งกายเนื้อกายจิตไปหมดแล้วทําไปเป็นรู้หลวงตาครับพิจารณากายกายเนื้อกับกายจิตให้คู่กันไปเลยได้ใช่ไหมก็ได้แล้วแต่เราจะว่าปล่อยวางอ่ะคือพิจารณาไม่ทําพิจารณาอะไรเห็นว่าไกายเนื้อกายจิตมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไปของไม่เที่ยงเราปล่อยวางมัน แล้วก็ไปเป็นรู้รู้ที่ไม่ไม่ไม่ไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่กายเนือ้อไม่ใช่กายจิตพอเราเป็นรู้ซะแล้วมันก็ว่างเปล่าไปหมดอ่ะคือรู้เนี่ยมันเป็นธาตุว่างหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลแต่มันเป็นรู้นะคือรู้มันรู้กายเนื้อกายจิตอย่างอย่างแม่โอ๊ตเนี่ยคือมันรู้ผิดตัวคือไอ้รู้เนี่ยมันรู้กายเนื้อกับกายจิตน่ยมันรู้อ่ะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันรู้อะไรก็รู้กายเนื้อกายจิตเรารู้ว่าเรานั่งเราเดินแล้วนอนเราเราดื่มกินเรา เราทําอะไรใช่ไหมแล้วก็รู้ไอการคิดการพูดการกระทำแล้วรู้เวทนารู้ว่าสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็รู้จิตที่มันคิดดื้อคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาคิดกุศลอกุศลคิดติกตอมพุงแต่งเรื่องอะไรก็ตามที่มันไหวไหวได้แต่ไอ้รู้เนี่ยมันน่าจะกายเนื้อกายจิตที่มันเคลื่อนไหวมันได้แต่รู้อย่างเดียวรู้อะไรก็มารู้กายเนื้อกับกายจิตนี่เนอมันรู้กับกายจิตแต่รู้เนี่ยมันไม่เคลื่อนไหว ก็เลยมันก็ในใจของเราเนี่ยเราก็อยู่กับเห็นว่ากายเนื้อกายจิตเนี่ยมันเคลื่อนไหวแต่ไม่มีใครมายึดถือแล้วก็เมื่อมไม่มีใครยึดถือแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยึดถืออะไรในโลกนี้เพราะว่ามันเป็นมันไปเป็นไปเไอไปเป็นไอไอรู้อ่ะเป็นรู้ที่มันได้มีตัวตนเสร็จแล้วมันก็ได้แต่รู้ทุกอย่างพอรู้ทางตารู้ต้งหูรู้ต้งจมูกรู้เรื่องทางริ้นทางกายมันก็ไม่ยึดถืออะไรเพราะมันมันเป็นรู้ที่ว่างเปล่าแล้วไม่มีตัวตนแล้วก็พอไปรู้ไอความคิดอะไรก็มันก็ ได้แต่ร mm hmm. ู้มันไม่ยึดอะไรมันก็คืออยู่กับรู้ที่รู้ตัวเองว่าสิ้นยึดแล้วไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวแต่อย่างของแม่ออดเนี่ยคือมันไปอยู่กับยึดว่างไปรู้ว่างยึดว่างมันไม่ได้อยู่อยู่กับรู้ตัวว่ารู้แก่ใจว่าได้แต่รู้แล้วสิ้นยึดได้แต่รู้แล้วสิ้นยึดแต่ไปยึดความว่างรู้สึกว่างๆเบาๆโปร่งโล่งเบาสบายโหงดีว่างดี อันนี้มันยึดไม่ใช่ว่ามันรู้นะเพราะว่าไอ้ enfin. ว่างโล่งโปร่งเบาสบายมันเป็นเวทนามันเป็นเวทนาแล้วอ er <adventures. S 2> าการมันไม่ว่างไม่โล่งโปร่งเบาสบายมันเป็นมันเป็นทุกขเวทนาแต่ว่าโล่งโปร่งเบาสบายมันเป็นุมันเป็นสุขเวทนาก็ยึดต่อ <vary> สิไปยึดเวทนามันไม่เป็นรู้แต่ยึดเพราะว่าไอ้กายเนื้อก็คือร่างกายเราที่ยืนเดินนั่งนอนแล้วไอ้กายจิตกายจิตก็คือเวทนาสัญญาสังขาวิญฉาณอีกสี่ขัน อันนียมันรวมทั้งไรความรู้สึกเวทนาขันก็คือสุขเวทนาโปร่งโล่งเบาสบายเออถ้าเป็นอุเบกขาวเวทนาเขาก็ว่าเออนิ่งเฉยนิ่งเฉยว่างรู้นะนะแต่ความจริงก็คืออยู่ในฝ่ายสุกกันเนี่ยเพราะเราชอบมันนะนิ่งเฉยว่างเราชอบมันก็คือยถึงฝ่ากกันแหละแล้วก็ไอาอาการที่มันตรงกันข้ามคือไม่โปร่งไม่โลง่งไม่เบาสบายไม่นิ่งไม่เฉยไม่ว่างเรารังเกียจมันแล้วเราก็หนีหนีใจเราไปอยู่กับ ใจที่มันโป่งโล่งเบาสบายว่างอันี้มันเป็นไอ้ใจที่มันไอ้กิริยาการที่มันโป่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยว่างกับมันอาการตรงกันข้ามมันเป็นเวทนามันเป็นขันอมันเป็นกายจิตอันนี้คือเราไปยึดกายจิตไปเลยเราไม่ใช่ว่าไปเป็นรู้อีกอันหนึ่งมันมีกายเนื้อกายจิตแล้วก็เป็นรู้รู้จะเรียกว่าพุทธะทุกคนนะเรียกมันความจริงมันไม่มีกายไม่มีเละเราเรียกพุทธะเรียกธรรมธาตุเรียกมหาสุญญตาเรียกจักรวาลเอิม มันเป็นชื่อสมมุติหมดเลยแล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรจิตเดิมแท้ใจตั้งเดิมแท้หรือว่าถ้าเป็นต่างชาติก็คงจะเรียกอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่ชาติใดในโลกจะเรียกว่าอะไรล่ะคือก็คือมันเป็นอีกตัวอีกอย่างหนึ่งอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมีสามอย่างคือกายเนื้อกายจิตแล้วก็เป็นรู้นั่นแหละจะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าวิญญาณธาตุก็ได้เรียกว่าจิตเดิมแท้ใจเดิมแท้เรียกว่ารู้เออเพราะมันแล้วแต่ขอให้ขอให้สื่อความหมายกันน่ะมันเข้าใจตรงกันก็แล้วการใช้ได้ จะเรียกว่าอะไรก็ได้บานทีก็ทะเลาะ ก, กันไ อ, ไอตัวภาษาเนี่ยมันก็เคียงแค่แคให้มันสื่อความหมายกันให้เข้าใจก็ใช้ได้แล้วก็คือสรุปแล้วในร่างกายเรามีสามอย่างกายเนื้อร่ากายจิตแต่จริงเรามันก็ต้องเราไม่อยากมาพูดภาษาเป็นในบาลีภาษาอะไรก็ต้องกายกายวิญญาณกายจิตกับจิตจิตสังขารกายะสังขารอะไรไม่พูดอะไรเงี้ย แล้วก็เพราะพูดบาลีไปพูดไในภาษาทําอะไรก็มาแปรความมันเยอะแล้วก็ผิดอีกอไรเงี้ยเลยก็พูดเราก็พูดภาษาชาวบ้านกายเนื้อนี่เลยเอาตรงไปตรงมาเรามีเนี่ยแล้วก็กายจิตอกายจิตแล้วก็เป็นรู้เป็นรู้เอที่เป็นพุทธะเรียกว่าพุทธ ธ, ธรรมธาตุมหาสุญญาตาจักรวาลเดิมหรืออะไรเรียกว่าอวกาศถึงจิตเดิมแทจะเรียกว่าอะไรอเอามาตรธาธาตุนีกเขาเรีย ว่าเรียกเยอะหลายหลายชื el, <lo> ่อยกอาจจะรู us, ้มากกว่าตาก็ได้อ่านเยอะเข้าใจยังอ่ะวิธีปฏิบัติอ่ะถ้าลุงตาพูดเนี่ยถ้าคนมีปัญญาเป็นเลิศมันก็ฟังเนี่ยอก็ปล่อยวางหมดเลยปล่อยวางกายเนื้อปล่อยวางกายจิตปล่อยวางก็ได้คืออยู่กับรู้ที่รู้ว่าบรรณิจัยมันไปเป็นรู้ดีกว่าอันนั้นมันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายถ้าเป็นกายเนื้อกับกายจิตเนี่ย กายจิตอ่ะกายจิตรวมทั้งเวทนาสัญญาทั้งขานรวมทั้งไอ้ความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่านีงมันเป็นเวทนาขันไม่เป็นกายจิตอันนี้ไปยึดกายจิตไปยึดเวทนาขันคือมันต้องไปอยู่กับรู้เขาบอกอยู่กับรู้คือมันรู้ว่าเนี่ยร่างกายเราเคลื่อนไหวยังไงก็ตามเราพูดไม่พูดเราสบายกายไม่สบายกายสบายใจไม่สบายใจมันโปร่งโล่งเบาสบายไม่โปร่งไม่โล่งเบาไม่เบาสยมันเป็นรู้อย่างเดียวว่าไม่ยึดอะไรเลย ได้แต่รู้ไม่ใช่อะไรเลยมันคิดมันคิดอะไรมีอาการจุกจิกจุกจิกอยู่ในใจตลอดเวลาเป็นรู้ไม่เป็นเป็นไม่ไปเป็นในตัวคนคิดเลยเป็นรู้เพราะว่ า, วาไอ้รู้เนี่ยมันคิดไม่ได้ถ้ามันเป็นคิดมันมันก็คือไอ้กายจิตกับไอ้กายกายเนื้อทํางานด้วยกันเดี๋ยวมันแตกดับมันตายมันเน่าเป่วยผุพังถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปยึดเอาไว้ไอ้กายเนื้อหรือไอ้กายจิตเนี่ยมาเป็นตัวเราคือไอ้ตัวที่คิดที่มีความสบายใจไม่สบายใจมาเป็นตัวเราเราสบายใจมากเเราไม่สบายใจ เราเกียรติความไม่สบายใจเราเอายึดไว้สบายใจอย่างเดียว อ, อย่างนี้มันต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยไปมันก็มีเป็นตัวเป็นตนเพราะเรายึดผิดตัวมันก็ไปเป็นพอไอ้กายเนื้อตายแล้วมันก็เด่นออกมาเป็นกายปร่งแสงเลยตัวนี้ไม่ตายตัวนี้เพราะว่าเราไปยึดเอาไว้ไอ้ตัวที่เป็นกายจิตเนี่ยที่มันเป็นกายโป่งแสงเนี่ยเราไปยึดไว้มันก็เลยตายไปแต่กาย เ, เนื้อส่วนี่ไอ้กายเนื้อที่ทำงานคู่กับขันหยาบคือเวทนาสัญญาสั้ขงขันวิญญาณซึ่งเป็นขันหยาบมันก็ดับไป แต่เราไปยึดซะแล้วกายจิตเป็นตัวเราเลยก็ไปสร้างไปสร้างตัวเราเป็นตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ในกายในกายเรานี้แล้วเวลาตายแล้วก็เลยไอ้ตัวที่เราไปสร้างไว้เนะ่ยมันเลยเป็นเสมือนจริงออกไปเป็นตัวจริงๆออกมาอยู่นอกตัวเราแล้วตอนเนี้ยพอเรายึดอะไรปุ๊บไปสร้างขึ้นปุ๊บโยมมาทุโยมาตาหาเจอแล้วก็เอาสามง่ามมาแทงเข้าไปเอาไปให้โยมมาบานวิปาสสนาลงโทษเราไม่ได้อยู่กับรู้ที่ว่ารู้แก่ใจว่าไม่ยึดอะไรเลยเพราะว่า รู้มันเป็นธรรมชาติแต่ธาตุรู้แล้วรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของธาตุไม่ใช่ว่าเราต้องไปยึดรู้อีกนะเพราะว่ารู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติเป็นธาตุรู้ที่เรีธาตุรู้เอมเป็นธรรมชาติของธาตุรู้เป็นความรู้อยู่ในร่างกายเล้เนี่ยมันทําหน้าที่แตกต่างกันให้เป็นรู้แต่ไม่ใช่ไปยึดรู้อีกถ้าไปยึดรู้ก็มันก็ไปเอาไอ้ขันห้าไอ้กายเนื้อกายจิตมายึดรู้อีกอันนี้ก็สลับกลับด้านอีกตัวเนี้ยเออเจดีกับหัว กลายเปเจดีกับหัวเอาไปเป็นรู้มันไปเอาไอ้ไอ้ไอกายเนื้อกายจิตมาพยายมายึดรู้ไว้ให้เป็นรู้ไวอ้อีกเอ้าเป็นรู้แล้วก็เป็นรูปก็ได้แต่รู้แต่กลับไปเอาจะยึดรู้เขาะจะยึดรู้มันก็ไปเอา ไ, ไอ้กายเนื้อกายจิตมายึดมายึดรู้อีกเข้าใจไหมเนี่ยไม่เข้าใจซักนะแต่เข้าใจก็ถือว่าเก่งมากแล้วมาครั้งแรกก็เข้าใจเลยเนี่ยฟัง youtube อยู่ตลอดนะคะ ฟ, ฟังทุกวันค่ะหลวงตามาครั้งแรกแต่ฟังทุกวันก่อนจะมาค่ะ <c oughs> เข้าใจไหมล่ะเอาเยิมเนี่ยสองคนเนี่ยไม่พูดเลยอันนี้อดีก่อนก็ได้อ่ะสองอะเข้าใจไหมที่ก็พูดกันเนี่ยเข้าใจหลับๆตื่นๆก็เข้าใจเหรอออื้าที่หอตื่นตีห้า้าแล้วมึนๆแล้วมนแต่หัวได้ยิน่อนนี้อ่ะอ๋อม่ๆๆมม่มหม เข้าใจค่ะพอดีครูก็ถามตรงที่คิดน่ะตวงที่จิตคิดอยู่ก็เลยได้รู้ไปค่ะได้ได้ได้รู้ไปเข้าใจเนาะเราคนนั่งหลังๆเข้าใจไหมไอ้หนูนี่เข้าใจไหมเอาไม้ไปแบ่งๆกันกันเอาก่อนมาก่อนวันจานท์เนี่ยเข้าใจค่ะลงตาอะรู้อย่างว่าชันจันวันผิดอะไรเราตอนนี้รู้อย่างฟังๆเนี่ยเข้าใจยังรู้อยู่อยู่ที่ปัจจุบันนะค่ะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปมีหน้าที่ทํางานไปตามอือ สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวอแล้วรู้นี่มันมันคิดได้ไหมรู้มันคิดไม่ได้เอะรู้นี่มันสุขทุกข์ได้ไหมรู้สุขทุกข์ไม่ได้เออเขาตาเขาตาถ้าสุขทุกข์เนี่ยมันเป็นในตัวตายนะแต่รู้นี่มันสุขทุกข์ไม่ได้เป็นแต่รู้อย่างเดียวรู้มันคิดไม่ได้ไอตัวคิดตัวตายอย่าไปอยู่กับตัวตายอไอตัวสุขทุกข์ไอตัวตายตัวโป่งโล่เบาสบายนิ่งเฉยว่างสงบเป็นตัวตายอย่าไปอยู่กับตัวตายโยแม่แม่ว่าไปอยู่กับตัวตาย